นั่นแหละก็เพราะว่าจะยอมแก่เจ้านี้ฉันใดพวกเราทั้งหลายถ้าเจ้านี่เพราว่าอะไรนะเราจะยอมหมดจะให้ทำอะไรหรือก็เรียกว่าถ้าเป็นข้อเสนอของเจ้านี้เราจะยอมฉันใดวัตถุใดที่เราชอบมากเราจะยอมทุกอย่างเนียนะงั้นมองเห็นโทษของตันหาว่าตันหาเนี่ยเหมือนกับการกู้ยืมเหมือนกับการกู้หนี้เนี่ยนะผลของการกู้เป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยนะ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 ในหน้า277นี่อธิบายว่าเนกขมมะคือนิพานสมถาวิปัสนาและบรรประชาเนี่ยนะหน้า277เนี่ยนะพันก็เห็นอา น, นิสงส์ของการบรรประชาทั้งเริ่มการบวชเพื่อจเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อบรรลุพระนิพานว่าบรรประชาการบวชนี้เป็นอภโอกาศเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะอบรมสังสมถาวิปัสนาเพื่อบรนรุอมตะนิพาน ท่านก็บอกว่าเอาโทษของการครองเรือนเนี่ยนะโทษของการบริโภคการมีอะไรบ้างบอกว่าไปดูในทุกขขันธสูตรเรามหาทุกขขันธสูตรกองทุกขที่เห็นเห็นกันอยู่เนื่องจากการแสวงหาวัตถุกรรมเนี่ยนะสงครามในโลกนี้เกิดจากอะไรอ่ะความทะเลาะเบาะแวงความเดือดร้อนความเร่าร้อนการประหัตประหารการทะเลาะการด่าชิงดีชิงเด่นเป็นต้นก็เพราะวัตถุกรรมทั้งนั้นแหละเพราะกรรมเป็นเหตุเพรว่กรรมเป็นต้นเขามั้นความเดือดร้อนในโลกที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเกิดจาก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 ร่างกายที่ปราศ จ, จากชีวิตก็ไม่สามารถทําปฏิกิริยาอะไรได้ซัก อ, อย่างหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะอินทรีย์ทั้งหลายมีตาเป็นต้นเวน้นวิ ญ, ญญาณเสียแล้วก็ไม่พอที่จะทํากิจในวิสัยของตนได้เช่นว่าถามว่าถ้าหากว่าตาเป็นต้นเนี่ยนะตาเนี่ยถ้าจักรคูวิ ญ, ญญาณไม่เกิดเนี่ยตามีประโยชน์อะไรไหมไม่มีชั้นใดถ้าเราทําอะไรโดยที่ปราศ จ, จากปัญญาก็ ฉะนั้นเหมือนตาไม่มีจกักรวิญญาณเหมือนหูไม่มีโสตวิญญาณทําอะไรไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ฉันนั้นเนี่ยนะนปัญญานี้สําคัญมากถ้าหากว่าไม่มีปัญญาจะให้ทานรักษาศีลหรือจะเจริญปัญญาก็ยากจะอบรมวิริยะขันติสัจจะที่ฐานจะอบรมคุณธรรมเหล่าใดก็ถือว่ายากเย็นที่สุดถ้าไม่มีปัญญาก็ลองอ่านหนังสืออ่านแบบไม่มีปัญญาอ่านไม่เข้าใจเนี่ยนะจะอ่านได้สักกี่หน้าเชียวเนาะเนี่ยนะ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 แต่พูดถึงอย่างนี้น ะ, ะที่จริงไม่ควรเล่าตรงนี้หรอกแต่ว่ามันมีตัวอย่างคนะําเนี่ยนะไปอ่านชาดกไปเรื่องหนึ่งในกุสราชาดกพระเจ้ากุสราชนี่ก็คือพระโพธิสัตว์นั่นแหละเกิดมาชาตินี้รูปไม่หล่อเลยนะเขาเรียกว่าเห็นปั๊บเนี่ยว่าโอ้ยยักษ์เดินได้เหมือนกับยักษ์เดินได้คือเป็นคนที่มีรูปร่างน่าเกลียดมากเนี่ยนะนะเขาบอกว่าเรื่องเป็นยังไงบอกเรื่องมีอยู่ว่าอดีตชาติเนี่ยมีพี่น้องสองคน ที่น้องชายสองคนแล้วก็พ่อแม่ก็จับพี่ชายคนโตเนี่ยแต่งงานก็แต่งงานกับผู้หญิงอีกบ้านหนึ่งใกล้ๆกันนั่นแหละก็แต่งงานทีนี้ไอ้น้องชายนี่ก็ไปทำไอ้น้อ ง, น, องอน้องเรียกอะไรน้องเขยนะน้องน้องเขยก็ไปทํางานในป่าไอ้พี่สะพ้ายคนนี้ก็ทอดขนมทอดขนมเป็นก้อนๆหน่อนะทอดขนมเสร็จเอาไว้ให้ตัวเองก้อนหนึ่งเอาไว้ให้น้องเขยอีกก้อนหนึ่งไอ้ก้อนที่เหลือไม่ได้พูดถึง เสร็จแล้วก็ตัวเองก็ทอดเสร็จก็เออทานให้ทานเรียบร้อยเลยก็เหลือก้อนหนึ่งก้อนที่ให้น้องเขยนั่นแหละพอดีพระประเจกอุ้มบาตรหม่มายืนบิณฑบาตต่อหน้าเออเอางี้นะเอาของน้องเขยใส่บาตรก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวค่อยทอดให้ใหม่พอดีกําลังใส่บาตรอยู่นั่นแหละพระประเจก็อยู่ตรงนั้นแหละน้องเขยก็มาจากป่าก็บอกว่าน้องเออเออเธ อ, อทําใจให้ดีใจให้ปีติโสมนะเธอเนี่ยขนมของเธอใส่บาตรอยู่แล้วเนี่ยนะ พระโพ ธ, ธิสัตว์ฟังแล้วโกโรธเลยนะแหมตัวดีอยงั้นของตัวเองแล้วกินทั้งหมดเลยนะเอาของคนอื่นใส่บาตได้ยังไงเนะี่ยโกโรธมากก็เลยไปเอาของในบาตเอามาคืนนะเอามาคืนมาเก็บไว้พี่สะพ้ยนี่โกโรธมากเลยนะว่าน้องเคยตัวเองเอาน้องน้องผัวน้องผัวไม่น่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยไปไปเอาเนยใส่มาจากบ้านมาใส่บาตเพราะเห็น เนยใสใสในบาทมันออกเป็นรัศมีงามก็อธิฐาน่ะขอให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีงดงามที่เรียกว่าสู้ใครงามเท่าไม่ได้เสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาอว่าขออย่าได้ไอ้เจออย่าเจอคนเลวคนพานแบบนี้อีกต่อไปเลยเนี่ยนะนี่พระพทธศาสตก็เอาขนมนั่นแหละไปใส่บาทอธิษฐานว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามขอเอาพี่สะพายเนี่ยตามกลับคืนมาให้ได้เพราะนั้นอะี ก, กชาติถัดไปเนี่ยนะก็ก็เหตุประชาิถไป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 ผู้หญิงคนไหเห็นก็จะชอบเราเนาะก็เลยบอกว่าถ้าเห็นก็คงไม่ชอบไม่เอากับเราแน่นอนยังไงก็เออเดี๋ยวพ่อแม่สิ้นพระชนแนละ้วก็บวช ด, ดีกว่าเพราะงั้นรูปร่างน้าเกียดเหลือเกินเนี่ยนะก็รู้ตัวดีเสร็จ แ, แล้วพ่อแม่ก็ขยันขยอสามครั้งครั้งที่สี<ๆ>ก็เลยตัวเองเนี่ยเอาเอาทองคำเนี่ยมาปั้นเป็นรูปทองบอกว่าจริงจรงก็จะแกล้งพ่อแม่นั่นแหละแล้วก็ปั้นทองเนี่ยสวยมากบอกว่าถ้าหาผู้หญิงได้สวยขนาดนี้เนี่ยจะแต่งถ้าไม่งามขนาดนี้ไม่แต่ง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 แต่ว่านางประพาวดีก็คือมารดาพราหุนนั่นแหละแต่นี้ที่จะเล่าจริงก็คือเล่าว่าบางชาติเนี่ยนะเขาใส่บาปเสร็จแล้วตัวเองก็ยังกโกรธไปเอามาเนี่ยนะไอชาตินั้นเนี่ยโอ้ยนาเกลียดมากนะเพราะว่ากโกรธใช่ไหมผลของความโกรธเนี่ยนะโกรธจนก็เรียกว่าใครไม่อยากเห็นด้วยซ้ําไปเนี่ยนะะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยมันลำบากอย่างนั้นนะฉะนั้นใครอยากงามก็อย่าไปโกรธนะนะให้มากมายเพราะว่า หน้าตอนโกโรธนี่มันงามไหมก็ทําเหตุอย่างใดก็จะได้รับผลเช่นนั้นนั่นแหละนี่ต่อไปว่าปัญญานี้เป็นเหตุให้ให้ทานเนี่ยเพราะว่าผู้มีปัญญาจะรู้จักว่าให้ทานอย่างไรจึงจะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากให้ทานอย่างไรจึงจะเป็นเหตุให้สําเร็จเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความปีติและโสมานัตขณะเดียวกันเนี่ยนะปัญญาก็เป็นเหตุให้รักษาศีล อันหนึ่งความบริสุทธิ์แห่งศีลโดยไม่ปราศจากความเศร้ามองด้วยอำนาจตันหาเป็นต้นย่อมเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาคือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยสามารถจะรักษาศีลไม่ให้แปดเปื้อนด้วยตันหามานะและทิฐิไม่ให้แปดเปื้อนด้วยอุปกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายท่านถ้าไม่มีปัญญารักษาศีลให้บริสุทธิ์สิ่งที่รองรับสัพพัญยูจักมีได้จากที่ไหนเนี่ยนะมีไม่ได้รอง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 ที่ช่วยไม่ได้มีนิดคนสองคนไม่กี่คนเท่านั้นแหละแต่โดยมากพระองค์ช่วยเขาได้เนี่ยนะหรือไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอนุภาพของปัญญาพระองค์ไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาโดยประการทั้งปวงนี่สุดท้ายบอกว่าปัญญานี้เป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออะไรอุเบกขาบารมีว่า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 ไม่มีอีกแล้วปัญญานี้เป็นเหตุให้บำเพ็ญเพิ่มพูนบารมีทั้งสิประการได้สําเร็จพระโพธิสัตว์นั้นตั้งมั่นในอธิษฐานธรรม4ี่ด้วยปุญญานุภาพเนี่ยนะอธิฐานธรรมสีเนี่ยปัญญาเป็นหนึ่งในอธิฐานธรรมสประการอธิฐานธรรมสี่ประการก็คือปัญญาธิฐานจาราธิฐานสัจจาธิฐานและอุปสมาธิฐานเนี่ยนะปัญญาก็เป็นอธิฐานธรรม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 วิริยะสติสมาธิและปัญญาของสัพพะสัตทั้งหลายให้เจริญงอกงามอีกอย่างหนึ่งพึงกำหนดคุณณนะประโยชน์คุณอ น, นิสง์ของปัญญาเป็นต้นว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะเป็นผู้มากในการคนา้นคว้าขันอายตนะธาตุสัจจะอินย์ปฏิจจะสมุบาทและด้วยกำลังของปัญญานี่แหละจึงรู้ปวัตตคือทุกขสัตสมุทัยสัตรู้นิวัตะ นิโรสัจจะมัคสัจจะตามความเป็นจริงคือปัญญาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ค้นคว้าขันอายตนะาตะณะธาสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาตและก็อริยสัจอริยสัจ ท, ทั้งปวัตตะการเป็นไปนิวัตตะการทวนกลับการทวนกระแสะฉนั้นอนุภาพของปัญญาเนี่ยทำให้วิจัยเลือกเฟ้นในภูมิของปัญญาขณะเดียวกันอนุภาพของปัญญานี่แหละทาให้แนะนําคุณประโยชน์มีการให้ทานเป็นต้น ทำให้การให้ทานก็จะเป็นทานที่วิเศษภากคยะเป็นทานที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ย น, นะอนุภาพของปัญญานี่แหละทำให้รักษาศีลก็เป็นศีลที่เป็นวิเศษภาคยะสมาธิที่เป็นวิเศษภากคยะเป็นปัญญาที่เป็นวิเศษภาคยะวิริยะขันติสัจจะอธิฐาน เมตตาหรืออุเบกขาที่เป็นวิเศษสภาคิยะเพราะคุณธรรมทั้งปวงของพระโพธิสัตว์ท่านเจริญประเภทวิเศษสภาคิยะมีแต่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยว น, น, นี้ก็เป็นอนุภาพของปัญญาอันนี้วิธีการพิจารณาคุณอันนี้สองประโยชน์ของบารมีทั้งหลายว่า